ความพักดีกับการทำดีณที่นี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดแม้ในโลกทิพย์เช่นนี้จึงยังปล่อยให้มีความแตกต่างกันของศาสนาโดยมีนิกายต่างๆกันและลัทธิประเพณีต่างๆกันหลงเหลืออยู่ได้อีกท่านคงคิดว่าในไหนก็ได้มาอยู่ในแดนสุขติภูมิเช่นนี้แล้ว ทุกคนก็ควรจะต้องมีความเห็นในทางศาสนาเป็นอย่างเดียวกันจึงจะดูค่อยสมแก่สภาวะสักหน่อยท่านจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ข้อเท็จจริงก็มีอยู่ว่าในที่นี้ยังมีบุคคลส่วนมากที่ฝังหัวในความเชื่อทางศาสนาที่เขาเคยมีมาแต่เดิมอย่างแน่นแฟน้นเขาถือว่าการที่เขาได้มาสู่แดนอันเป็นสุขติภูมิเชนนี้ได้นั้นก็เพราะเขาได้มีความเชื่อถือดังที่เขาได้เคยเชื่อถือตลอดมานั่นเอง ่าไม่แล้วเขาจะได้มาอยู่หน้าที่นี้ได้อย่างไรความจริงที่ว่าเขาได้มาอยู่หน้าที่นี้ในสภาวะเช่นนี้ก็เพราะเขาได้ดำเนินชีวิตในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมาก่อนนั้นเขาจะไม่ยอมรับรู้เลยไม่ว่าจะมีใครอธิบายให้เขาฟังอย่างไรก็ตามเพราะเขาถือว่าเรื่องเช่นนั้นคือการทำประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินในเมื่อเทียบกับศรัทธาในแง่ของความพักดีอันมั่นคง ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าทาอย่างไรเขาก็ไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าการที่เขามาอยู่ณที่นี้ได้นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อในแบบของความพักดีหรือไม่เชื่อนั่นเลยดังนั้นบุคคลประเภทนี้ก็ยังคงปฏิบัติศาสน ก, กิจของเขาต่อไปตามแบบและวิธีการที่เขานิยมฝังหัวมาในโลกมนุษย์เช่นมีพิธีกรรมอันจุจิก หรือวิจิตพิสดานนานาประการไปตามเดิมแต่ก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าตราบใดที่พวกเขาเหล่านั้นยังยึดมั่นอยู่ในพิธีกรรมอันศักดิ์ต่ว่าเป็นประเพณีในที่นี้คือซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะตะปรามาตรคือการประพฤติยึดถือแบบงม ง, งายไร้เหตุผลโดยไม่ได้เข้าถึงเจตนารมันแท้จริงของศาสนาเช่นนี้แล้ว เขาก็จะไม่สามารถบำเพ็ญเพียรให้เกิดความก้าวหน้าในทางจิตขั้นสูงขึ้นไปได้เลยเพราะเขาจะคงต้องมีสภาวะดักดานอยู่ได้เพียงแค่นั้นตลอดไปเพราะแต่ละกลุ่มของบุคคลประเภทนี้ก็จะถือข้อปฏิบัติพิธีกรรมและความเชื่อของนิกายหรือของคณะของตนเท่านั้นที่ถูกต้องหมดและของผู้อื่นก็เป็นอันว่าผิดหมดจากข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าทุกคนที่นี่มีอิสระเสรีในความเชื่อทางศาสนาตามที่เขาเคยยึดถือมาแต่เดิมดังนั้นจึงไม่มีการพยายามที่จะกลับใจผู้หนึ่งผู้ใดให้เขาเลิกจากความเชื่อของเขาจนกว่าเขาจะได้เห็นความจริงต่างๆด้วยตนเองเสียก่อนแต่เมื่อบุคคลเหล่านี้มีทัศนะในวงแคบและมีสายตาสั้นเช่นนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ที่พวกเขาสร้างกันขึ้นเองไปตามสบายของเขา จนกว่าวันหนึ่งเขาก็จะได้เห็นความจริงว่าอะไรเป็นอะไรและแล้วเขาก็จะก้าวออกจากโครงขังตัวเองมาสู่โลกแห่งความจริงอันกว้างใหญ่ภายนอกซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเขาเลยเป็นตัวว่าเขาไม่ยอมเอาใจสส่เองเท่านั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงเช่นนี้แล้วเขาก็จะได้มีโอกาสเลื่อนชั้นภูมิแห่งจิตของเขาให้สูงขึ้นไปความเชื่อเลวไหลต่าง ก็เป็นอันว่าจะถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างไม่ใ ย, ยดีเขาจะรู้ว่าโบสถ์วิหารต่างๆเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามในด้านศิลปะก็ตามแต่เขาก็ได้ใช้มันและยึดถือไว้ในทางที่ผิดตลอดมาจากนั้นเมื่อเขาก้าออกมาจากโบสถ์หลังจากฟังเทศแล้ว mm. ก็เป็นอันว่าเขาได้กล้าออกมาสู่โลกแห่งความจริงภายนอกเป็นความจริงซึ่งเขาจะไม่ได้มีโอกาสพบเลย ตราบใดที่เขายังขดตัวเองอยู่ภายในบริเวณกำแพงโบสถ์เท่านั้นที่นี้สำหรับเรื่องท่านนักบวชหรือพระผู้ทำพิธีหรือเทศในโบสถ์เล่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นใครและมีจำนวนมากน้อยเพียงใดอันที่จริงนักบวชเหล่านี้ก็คือผู้ที่เคยเป็นนักบวชมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่นั่นเองในที่นี้เรามีนักบวชหรือพระเป็นจำนวนเพียงพอทีเดียว หรืออาจจะกล่าวได้ ว, ว่าเกินพอเสอีกแต่ เ, เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความลำบากหรืออึดอัดตอย่างใดเพราะพระหลายรูปอาจจะมาช่วยกันในที่แห่งเดียวกันก็ได้ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ราโออาแก่พิธีกรรมมากขึ้นอีก